พี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสีสิบเอดนะครับคนฉลาดและคนโง่พระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่เจ็ดข้อยี่สิบสี่ถึงข้อที่ยี่สิบแปดครับมัทธิวบทที่เจ็ดข้อยีิบสี่จนถึงข้อยี่บแปดครับโปรดฟังพชนะของพระเจ้าให้ฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของเขาไว้บนศีลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้นแต่เรือนไิ่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศีลาแต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่าเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้น เรือนั้นก็ผังทลายลงและการซึ่งปังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งเพียงครับเราเคยร้องเพลงคนโง่สร้างบ้านไว้บนดินทรายคนฉลาดสร้างบ้านไว้บนหิลาคำอุปมานั้นอุปมานี้เป็นภาพที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างการได้ยินและการประพฤตาิามคำอุปมาหนี้เป็นคำอุปมาแรกในหลายๆคาอุปมา คำอบรมนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายสองคนครับผู้ซึ่งสร้างเรือนของตนในที่ที่ต่างกันช่องแห่งพระเยซูทรงเปรียบเทียบชายคนหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่ได้ยินคําสอนคาตรัสของพระเยซูและประพุทธตามก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเขาจึงเป็นคนที่เปรียบเสมือนกับการสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาครับพระเยซูก็เปรียบเทียบชายคนหนึ่ง เป็นคนที่ได้ยินทำสอนของพระเยซูแต่ไม่ประพฤติตามพงเปีิบเหมือนเขาเป็นคนที่โมโหเขาที่สร้างเรือนของตนไว้บนดินทรายแต่เมื่อพายุพัดมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรือนทั้งสองนั้นก็แตกต่างกันครับข้อเจะนะของพระเจ้าได้บอกว่าคนฉลาดสร้างเรือนของตนไว้บนทีลาเรือนนั้นไม่ได้พังทับเพราะรากตั้งอยู่บนทีลา แต่ช่วนอีกคนหนึ่งเมื่อลมพัดมาครับเขาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายลมประทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงครับและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งนะเนืครับการที่ฝนตกอายุหนักและบ้านไม่สามารถทนอยู่ได้เพราะรากฐานครับรากฐานที่ไม่มีหรือรากฐานที่ไม่ดีรากฐานที่ดีเกิดขึ้นจากการเชื่อฟังครับ รากฐานที่ไม่ดีก็คือการไม่เชื่อฟังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วต้องอาศัยต้อ ง, องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าครับในการที่เราจะมีกำลังมีกำลังใจมีความสามารถในการทำหรือแสดงออกถึงการเชื่อฟังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับและถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็ว่าได้ เพราะเนื่องจากการเชื่อฟังการทําตามกับพฤติตามนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อศรัทธาที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงพี่น้องครับหากว่าคนหนึ่งเขาไม่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนว่าดีแต่ภายในใช้ไม่ได้ครับภายนอกดูเหมือนว่าได้ยินได้ฟังดูเหมือนเชื่อแต่ว่าภายในนั้นเขาไม่ได้ดาเนินตามเลย มันหมายความว่าน่าสงสัยนะครับว่าเขาจะเป็นผู้เชื่อแท้หรือเปลประเด็นก็คือว่าเราจะต้องผ่านการพิสูจน์ครับและการพิสูจน์นี้ก็คือชีวิตของคนทั้งสองประเภทนี้จะต้องผ่านมรสุมแต่เมื่อมรสุมเกิดขึ้นในชีวิตของเขาใครก็ตามที่ล้มลงใครก็ตามที่บ้านแตกบ้านพังนะครับนั่นแหละครับแสดงว่าเขานั้นไม่ได้สร้างเรือนของตน อยู่บนขางเชื่อฟังอยู่บนศีลาครับี่น้องครับพระเยซูได้ใช้คำโอบมาเพื่อที่จะสอนในรายละเอียดต่างๆนั้นทําให้เรารู้ว่าพระเยซูนําคำโอุมาเปรียบเทียบ ก, กับตัวชีวิตของพวกเรานะครับผมอยากจะถามว่าใครเป็นคนสร้างเรือนครับพี่น้องลองตอบดูนะครับใครเป็นคนสร้างเรือนคําตอบก็คือพวกเรานี่แหละครับคริสเตียนเรานี่แหละครับ คนที่เป็นลูกของพระเจ้าคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนสร้างเรือครับเรือนั้นคืออะไรครับเรือนั้นก็หมายถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายการสร้างชีวิตของเราครับอยู่บนความเชื่อฝังพระเจ้าเป็นการสร้างชีวิตในทางที่ถูกที่ชอบเป็นการสร้างชีวิตอยู่ในความมั่นคงปลอดภัยเป็นการหมอบหรือดำเนินชีวิตของเรา อยู่ในทางของพระเจ้าที่พระเจ้ารับมอบชีวิตของเราและพระเจ้าก็จะดูแลไปจนถึงที่สุดนะครับคือความหมายของคำว่าเรือนก็คือชีวิตและคนสร้างเรือนก็คือเราแต่เราจะต้องยอมให้พระเจ้าครับเป็นผู้ที่ช่วยเราสร้างเรือนเราต้องยอมให้พระเยซูนําชีวิตของเรานําทางเรานะครับลมหมายถึงอะไรครับลมหมายถึงมรสุมชีวิตกับ เวลาที่ชีวิตของเราตกทุกข์ได้ยากตกอยู่ในการทุกข์ยากลำบากหรืออาจจะแปลว่าวิกฤตการณ์ต่างๆที่เข้ามาใ น, ในชีวิตคาว่าวิกฤตการณ์นั้นมีความหมายวามกว้างกับก็คือการเปลี่ยนแปลงฉับระพันที่ทำให้คนนั้นได้ต้องถูกกระทบในด้านจิตใจอารมณ์ความรู้สึกความคิดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตการณ์ครับก็คือจะต้องมีภาวะคุกคามเกิดขึ้น มีภาวะอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นมีภาวะน่ากลัวเกิดขึ้นทําให้คนที่ผ่านวิกฤตตการณ์เหลนะ่านั้นมีจิตใจหวันว่นวายสั่นคลอนมีความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภยัยในชีวิตมีความรู้สึกว่าภัยชีวิตหรือภัยคุกครามชีวิตของเขาอยู่นะครับหรือลักษณะของวิกฤตของชีวิตภาษาอังกฤษว่าคริสิตนะครับแต่การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสภาษาจีนนะครับมีสองคำที่สำคัญเป็น คำ ท, ที่เปรียบเทียบหรือว่าเป็นคำแปลของคม ว, ว่าวิกฤตนะครับก็คือคำว่ายุ้ยจีคำว่ายุยนั้นก็แปลว่าเดนจ์เจอหรือว่าอันตรายครับจีหมายถึงหมายถึงโอกาสครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ตัง้งผีพูดชักเกียครับว่าเราทั้งหลายจะต้องผ่านเหตุการณ์ต่งางๆเหล่านี้ ขอพเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะผ่านอีกการต่างๆเหล่ า, านี้และเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นครับที่เราต้องปฏิบัติตามพระํารัสคาสอนของพระเยซูเพื่อที่เราจะมีรากฐานมั่นคงสําหรับการเจิเติบโตฝ่ายงานต่อไปขาพระเจ้าช่วยเรานะครับแต่เมื่อพระเยซูตรัสคาเทศนาเหล่านั้นเสร็จแล้วรงก็พบกับปฏิกิริยาของประชาชนครับประชาชนอัศจรรย์ใจ พวกเขั้งหลายรู้ว่าพระเยซูหาได้เหมือนพวกธรรมจารทั้งหลายซึ่งเป็นนักแปลนักเล่าธรรมยถาของศาสนาอยู่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพระเยซูกับพวกเขาก็คือโครงสั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจไปดังกับเพิ่องพีในข้อที่ยี่สิบเจ็ดนั้นความที่เรารู้ว่าคนที่ไม่ผ่านบทเรียนยต่างๆคนที่ไม่ผ่านภัยพิกฤตต่างๆเซาะไม่ผ่านยุทธของเขา จะล้มเหลวและการซึ่งพันธังพังทลายนั้นก็ใจยิงนะขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะผ่านวิกฤตโดยการเชื่อฟังโดยการดำเนินประพฤติตามคำสอนของพระเยซูอามน